ทุกท่านสาหรับหัวข้อาการบรรยายในค่ำคืนวันนี้ก็คือเรื่องทางสู่ความสำเร็จในการสอนพระพุทธศาสนาสำหรับตัวของอาตมาภาพเองได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอนพระพุทธศาสนาโดยตรงและก็โดยอ้อมด้วยโดยตรงก็คือเป็นพระ เป็นพระนี่ทาอย่างอื่นก็ไม่เหมาะเท่าสอนไปตั้งทีมฟุตบอลก็ไม่สนุกมีพระพยายามจะทำเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันไม่รุ่งเพราะฉะนั้นเป็นพระก็ต้องสอนพระทุกรูปต้องเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาโดยอัตโนมัตินี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวของอัตมาภาพเองเป็นผู้เขียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5 6เพราะฉะนั้นจึงได้มีส่วนตั้งแต่ต้นว่าเราจะสอนอะไรในหลักสูตรใหม่นะวันนี้ตงโาจะมีหนังสือมาให้ดูทั้งม .4 ม .5 ม .6 ครบครบทั้งสามเล่มนี้ของม .4 ก็นี้ก็ของม .5 แล้วก็ของม .6 ทุกเล่มได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ใช้เป็นหลักสูตรได้เป็นคู่มือได้อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้ตาบ้าเข้าต้องมาบรรยายในเรื่องทางสู่ความสําเร็จในการสอนพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นผู้ที่คลุกคลีโดยตรง ทั้งในฐานะเป็นวิทยากรด้วยทั้งในฐานะเป็นผู้ที่เขียนเนื้อหาสาระด้วยครูบาอาจารย์ท่านไหนสนใจก็หลังจากที่ตะพ่อเสร็จการบรรยายแล้วเข้ามาคุยได้ตมภาพให้เวลาสนทานาอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากบรรยายเสร็จนะทีนี้ประเด็นที่ว่าทางสุขการสําเร็จในการสอนพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างตะพ่อจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเนี่ยตะพ่อจะพูดถึงเนื้อหาก่อน แล้วช่วงที่สองจะจะสาธิตให้ดูว่าธรรมภาพได้ใช้สื่อการสอนอย่างไรบ้างทั้งสู่ความสําเร็จในการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆมันมีองค์ประกอบเยอะมากแต่ไม่มีองค์ประกอบไหนสําคัญเท่ากับองค์ประกอบเรื่องครูมันกับที่ธรรมภาพบรรยายหรือสอนธรรมะจะมีตัวอย่างไหนที่แสดงให้เห็นถึงความมีธรรมะหรือเห็นอานิสงส์งของธรรมะได้ดียิ่งไปกว่าตัวผู้สอนเองไม่มี เมื่อเราสอนเรื่องความสุขถามว่าเราสุขไหมถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็เลิกพูดกันไปเลยใช่ไหมเราสอนเรื่องความสําเร็จตัวคนสอนไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนี่ก็เลิกพูดไปเลยดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวผู้สอนนั่นเองจะบอกว่าธรรมะมันดีอย่างไรครูก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเองเนี่ยใช้ธรรมะมาแล้วแล้วประสบความสําเร็จถึงขนาดยืนยันได้ว่าธรรมะมันดีจริงๆ ครูบาอาจารย์ทุกท่านจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองจากครูที่จําเป็นต้องสอนพระพุทธศาสนามาเป็นครูที่สอนด้วยใจรักและสอนอย่างมีความสุขสอนไปยิ้มไปอู้สนุกจังเลยให้มันได้อย่างนี้นะแล้วสนุกมากตับประพาพมีความสุขมากๆถ้าถ้าได้มาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะอะไรคือเนื้อหาการสอนนั้นมันไม่ได้ขัดแย้งกับวิถีชีวิต แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครูสอนพระพุทธศาสนาสอนไปรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราตําหนิตัวเองไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่สอนกับสิ่งที่ทํามันคนละเรื่องถ้าอย่างนี้งานสอนไม่รุ่งนะให้ถอนตัวออกมาห่างๆเลยดังนั้นแทนที่เราจะสอนอย่างจํากลืนฝืนใจทําไมเราไม่สอนจากหัวจิตหัวใจของเราให้เนื้อให้ตัวของเราเป็นพระพุทธศาสนาแล้วให้มันแสดงผลออกมาเป็นความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกศิษย์ได้เห็น ถ้าทําได้อย่างนี้นั่นแหละถ้าคืออุปกรณ์สอนทำที่ดีที่สุดครูบาอาจารย์ทุกรูปมีศักยภาพตรงนั้นสามกันก็คือว่าเราปรารถนาที่จะยกระดับตัวเองหรือเปล่าให้เป็นครูชั้นนําถ้าคุณเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาชั้นนําได้ผลที่จะได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นมนุษย์ชั้นนาได้ในขณะเดียวกันมันประเสริฐมากนะครูสอนรพุทธศาสนานี้ไม่เหมือนครูอย่างอื่นนะ ครูสอนพาละคุณก็เป็นครูสอนพาละได้สุขภาพแต่ความทุกข์ไม่หายนะสอนเศรษฐศาสตร์สอนให้คนมีเงินใช้แต่บางทีตัวคนสอนไม่มีเงินก็มีนะใช่ไหมแต่สอนพระพุทธศาสนาเนี่สอนไปสอนไปมันเพลินมันมีความสุขความทุกข์มันลดลงไม่ใช่สอนไปสอนไปเนี่ยกำจริงจริง อย่าให้เป็นอย่างนั้นตรมภาพอยากให้ยิ่งสอนยิ่งมีความสุขยิ่งสอนยิ่งคนพบว่าสิ่งที่เราทํานั้นตอกย้ําน้ําเนื้อของการเป็นคนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ถามต่อไปว่าทํำยังไงจึงจะประสบความสําเร็จในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในฐานะครูก็ต้องมีคุณสมบัติของครูคุณสมบัติของครูทั่วไปเนี่ยมีอยู่สี่ข้อตรมภาพาจะไม่พูดถึงเนื้อหาในเชิงลึกทั้งหมด เพราะว่าเข้าใจว่าได้ฟังมาแล้วจากครูบาอาจารย์ชั้นนำหลายท่านบางเรื่องอาจจะตรงกันเพราะฉะนั้นก็จะเอาหัวข้อมาเรียงให้ดูคุณสมบัติของครูทั่วไปที่ต้องมีเป็นคุณสมบัติบังคับเลยหนึ่งรู้ดีสองปฏิบัติดีสามสอนดี 4. ี่มีจิตเมตตาครูสอนพระพุทธศาสนาจะมีปัญหาอยู่มากๆกก็คือในเรื่องข้อหนึ่งรู้ดี สมาภาพเคยสนทนากับครูท่านหนึ่งท่านสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ต่างจังหวัดแต่ท่านนับถือศาสนาคริสต์แต่ท่านสอนพุทธท่านเล่าให้ฟังบพกว่าท่านพ อ, อให้สอนมันไม่มีใครแล้วจริงๆท่านก็สอนนะท่านน่ารักมากสอนอยู่สามปีสอนไปสอนมารักพระพุทธศาสนา แล้วท่าก็ต้องสอนคิดศาสนาด้วยถามว่าเราเป็นครูที่ดีได้หรื อ, อยงังท่านทั้งนี้ใจเรายัางไม่รักแต่มาภาพตอบว่ามันมันยากมากการที่จะรู้ดีมันต้องมีใจรักด้วยดังนั้นถ้าใครก็ตามใจไม่รักมาแต่แรกก็พยายามปลูกรักให้เกิดขึ้นในความรู้ทางพระพุทธศาสนาทํายังไงจึงจะรู้ดีจากที่บายก็คงจะยาวแตถาถภาพแนะนําสั้นๆก็ได้ อยากจะรู้พระพุทธศาสนาดีๆอ่านหนังสือดีๆหนึ่งหนังสือพุทธธรรมของพระธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์พุทธถ้าคุณอ่านแตกแล้วไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกก็ได้พุทธธรรมของพระธรรมปิฎกสองพอจานานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ฉบับประมวลธรรมของพระธรรมปิฎกสามพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพุญญานุภาพ สหนังสือของท่านพุทธทาสเล่มไหนก็ได้หยิบมาอ่านเลยห้างานที่อ่านง่ายๆของอาจารย์ว ส, สินินทศระหกงานที่อ่านง่ายๆของอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพเจ็ดงานที่อ่านง่ายๆของอาจารย์เสถียรพงศ์วันปกแปดงานที่อ่านง่ายๆของอาจารย์แสงจันรงามหรือธรรมโครตรเก้างานที่อ่านง่ายๆของพระเทพโสพลอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอาเก้าเล่มนี้ก็พอละมัง้งสิบไม่อยากจะแนะนำเดี๋ยวมันจะเนี่ยก็เนี่ยม4ถึงม6ส่งรอบเดียวไม่มีการตรวจแก้ผ่านกระทรวงอนุมัติเพราะว่าเป็นคนทำงานอยู่แล้ว เพื่รมภาพไม่วิจัยอย่างอื่นเลยนะธรรมภาพบวชมาสิบแปดปีวิจัยเรื่องพุทธธรรมอย่างเดียวอาชีวิตลงมาวิจัยกับมันพุทธเจ้าสอนอะไรทำหมดเลยดูซิอยู่มาสิบแปดปีทำมาแล้วก็ผลิตสื่อต่างๆออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองรู้ดีแล้วก็เพื่อให้คนอื่นได้รู้ดีดังนั้นการจะรู้ดีวิชาการมันต้องมั่นถ้าวิชาการไม่ม่นเราสอนสเปสะปะ ดังนั้นหนังสือเล่มที่สิบที่อยากแนะนําคือพระตรัยปิดกพระตรัยปีดกตอนนี้ฉบับที่อ่านง่ายที่สุดก็คือฉบับมหาจุฬาลงกรณกราชวิทยาลายัยไม่ใช่โฆษณามหาวิทยาลัยตัวเองนะแต่ว่าเป็นฉบับที่มีการแปลแล้วก็มีการทําเชิงอัดอย่างเป็นระบบเชิงวิชาการพระตรัยปิดกฉบับเก่าๆนี้มีการแปลแล้วยังใช้ภาษารุ่มร่ามมากเช่นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฟังแล้วมันก็ยังมึนอยู่มันคืออะไรเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตจกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฉบับมาหาจุฬาจะแปล ง, ง่ายๆว่าหลังจากตายแล้วจะตกนรกหรือไม่ก็บังเกิดในสวรรค์เป็นภาษาคนแล้วนะอย่างนี้ก็อยากให้ไปหามาอ่านดูตอนนี้มีพรไะไตรปิฎกฉบับซีดีรอมด้วยมีเป็นสิเวอร์ชันเลยคุณมหาได้เต็มที่ หนังสือตำหนับตำราที่ตำพระมแนะนำมาเนี่ยเหล่านี้แหละเพียงพอแล้วที่จะทําให้เป็นครูที่รู้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีหนังสือตำพระมอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ไม่เป็นไรรักเล็น้อยแต่รักนานๆอ่ะ <c oughs> คือพยายามทําให้ง่ายแล้วทีนี้เรารู้ดีผ่านตำหนับตำราที่แนะนําไปแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของครูสอนพระพุทธศาสนาไม่แค่แค่รู้ดี คนที่รู้ดีเนี่ยคนที่ขยันอ่านใครก็รู้ดีได้สิ่งที่จะเป็นเกณฑ์ว่าเราจะเป็นครูที่ดีได้หรือไม่มันต้องปฏิบัติดีอันนี้สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเกณฑ์วัดว่าโลกจะเจริญหรือไม่เจริญมันมีอยู่คาสองสามคง่ายๆคือมนุษย์เนี่ยรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำรู้ว่าอะไรไม่ควรทำแต่าทาไม่ได้มนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้ ดังนั้ น, นครูสอนพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ข้อสองนี่ปฏิบัติดีหรือเปล่าก็ต้องพยายามเป็นเป็นแม่ปู่ที่ดีให้เป็นปูชนียะไม่ใช่เป็นปู่แล้วก็ขีดแล้วก็ชะนีอันนี้ไม่อธิบายปูชะนีต้องเป็นให้เต็กันนนปูชนียะบุคคลถ้าเป็นปู่แล้วก็ชะนี แยกกันน่ะไม่ดียุ่งทันทีต้องปฏิบัติดีเหมือนกับที่สอนถ้ามันลําบากนักก็ค่อยๆเอาค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ใช่พอมาประสอนพระพูดศาสนาแล้วหักดิบเลยฉันจะเป็นคนดีเหมืนวันนี้เลยกลับไปที่บ้านนิ่งยสามีถามเป็นไงไปเข้าค่ายหมัดนิ่งสํารวม <laughs> หักดิบสามี ไปนอนด้วยกันเอาหมอนข้างมาวางตรงกลางเลยเลิกกนหนึ่งหลับก็นหนึ่งนั่งกับมันฐานก็ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆดีก็ได้นะให้คนอื่นเขาได้ปรับตัวบ้างค่อยๆปรับขึ้นไปรู้ดีแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติดีแล้วต้องสอนดีนะบางคนรู้ดีมนะไม่มีใครเท่าพระมาพูดไม่ฟังทำไง ฝึกเขียนลายเซ็นอยู่หลังห้องรู้ก็ดีปฏิบัติก็ดีแต่ว่าสอนไม่ดีสอนนี่ดีนี่อันตรายมากนะเพราะอะไรเหมือนกับว่าคุณยมไปได้ได้ไดอาหารกระป๋องมาหิวอาหารกระป๋องก็มีแล้วเสียอย่างเดียวมันไม่มีที่เปิดกระป๋องมันจะสําเร็จประโยชน์ได้ยังไงใช่ไหมเรามีความรู้ เรามีความดีแต่เราถ่ายทอดไม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มองตาแปลวครูฉันเนี่ยเคยบวชเคยเขาอบรมที่โยบุทิกะมีประสบการณ์สูงใครๆก็ยกย่องว่ารู้ดีปฏิบัติดีแต่สอนมเมื่อไรหลับอย่างนี้ยังไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์วัดการสอนพระพุทธศาสนาก็คือสอนแล้วอย่าให้ลูกศิษย์หลับ วันก่อ น, น, นาอาจารย์ธมภาพไปบรรยายที่สถาบรรันนิติวิทยาศาสตร์ของหมพอพรทิพย์เขาพูดเรื่องการคอร์รัปชันธรรมภาพก็พูดไปคำหนึ่งว่าการหลับในขณะที่พระพูดเนี่ยเป็นการคอร์รัปชันทางจริยธรรมได้ผลไม่มีใครกล้าหลับเลยนี่การที่จะสอนดีให้มันมีองค์ประกอบหนึ่งรู้ดีสองปฏิบัติดีสามก็คือมีอะไร แต่ไมห้ามแนะนำเลยครูต้องอารมณ์ดีนะถ้าครูอาราไม่ดีแล้วไม่สนุกสมัยเด็กกับตมาภาพเคยเรียนวิชาหน้าตสินมีอยู่วันหนึ่งครูสอนแล้วแทปที่เอามาเปิดนั้นมันเสียครูโกรธมากเอาแทบปาลงที่พื้นแตกละเอียดนิดตมากลัวครูคนนั้นจนถึงทุกวันนี้นะอู้หู้นนก็สอนให้ตั้งวง เรามียก็ติกระดนตรีไทยจนทุกวันเนี้ยกลัวนี่ครูคต้องอารมณ์ดีนะอย่าทำอย่างนั้นให้ลูกศิษย์เห็นยิ้มเขาไวแต่สภาพเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อจะรันท่านสอนยิ้มนั่งท่านบอกให้นั่งแต่ท่านก็บอกนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงพูดแล้วก็ยิ้มแต่เวลาปฏิบัติจริงเห็นมากมาก แต่ท่านยิ้มตลอดนะครูบาอาจารย์เราก็เช่นเดียวกันครูสอนพระพุทธศาสนาถ้าอารมณ์ไม่ดีสอบไม่ผ่านนะเพราะอะไรนิวรสุมหัวเลยนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังไปเจอลูกศิษย์ที่มีปัญหาก็ยิ้มเมืก่อนจะภาพอสอนลูกศิษย์ที่วัดมาอยู่กับตรามภาพใหม่หกเดือนแล้วเป็นโรกสมาธิสั้นเขาจะเรียกอาตมาว่าหลวงนาใครๆก็เรียกหลวงนากันทั้งวัด เขาเรียกตามลูกเสร็จแกก็เรียกว่าหลวงนาเราก็เรียกมาถามว่าถามจริงเหอะที่เรียกว่าหลวงนาหลวงนาเนี่ยรู้จักชื่อจริงหลวงนาไหมเขาไม่รู้เลยให้โทรกลับไปที่บ้านไปหาแม่เขาที่จัรายถามชื่อจริงหลวงนานี่เด็กไม่รู้เรื่องเลยนะที่ปัญหาเรื่องสมาธิสัําทีนี้ถ้าเราไปเจอลูกเสร็์อย่างนั้นถ้าครัวเราไม่ดีนะจะยุ่งนะ ครูหลายคนมีความสุขยิ่งมาจากที่บ้านอู้สบายพอไปเจอลูกเสร็จผมทรงนกกระเตนเลยอารมณ์ครูบูดอีกแล้วอารมณ์คนเราเนี่ยถ้ามันบูดจากห้องนี้แล้วมันจะลูกระแน่นนะใช่ไหมไปอีห้องมันก็บูดนะไปห้องมันก็บูดนะแล้วมันก็จะบูดทั้งวันนะกลับมาบ้านจะมีอุตส่าห์เข้าครัวไม่พูดเลย เนี่ย <Yeah. S 2> มันบูด ท, ทั้งวันดังนั้นเจอลูกศิษย์ขนาดไหนก็ตามก็อย่าไปโกรธยิ้มเข้าไว้คิดว่าเออครูเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์มานมันจะลองก็ให้มันลองแต่มาเพิ่มอ่านนิทรนเซ น, นึงเหมือนกัประทับใจมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นมีสำนักเซนมีลูกศิษย์ห้าร้อยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นศิษย์นอกครูนิสัยเกะกาแกเรขี่ขโมยขโมยตลอด จนข่าวข่าวเนี่ยมาถึงสำนักในทางเสียมเสียเศียร่วมสำนักเสีย199คนเสนอชื่อเป็นบัญชีหางว่าวถึงเจ้าสำนักบอกว่าต้องเอาลูกศิษย์คนนี้ออกถ้าไม่ออกสำนักเราจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเลี้ยพวกผมทั้งหมด499คนจะออกจากสำนักถ้าอาจารย์ไม่จัด ก, การกับเจ้าหัวขบวยคนนี้อาจารย์เรียกประชุมแลวบอกพวกเธอทั้งหลาย จะลาออกจากสำนักฉันฉันก็ยินดีแต่เจ้าหัวขโมยเนี่ยต้องอยู่กับฉันต่อไปทำไมก็เพราะว่าเจ้าหัวขโมยเนี่ยมันอยู่กับฉันมานานก็ยังไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วแต่พวกเธอเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากออกก็ออกนี่เวลาเจอลูกศิษย์เก่กมาเรกเกเรนะครูอย่าไปยอมแพ้นะ อย่าไปต่อมอารมณ์แตกนะคิดอยู่ว่าเออเอามันจะลองก็ให้มันลองไปเราก็ยืนกับมันไปมันยัวว่วกวนโมโหโทโ่โศเราก็กําหนดพองหนอยุบหนอไปอารมณ์มันกําลังจะพุ่งก็หายใจ ย, ยาววันก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาหาพักหนึ่งเขาก็หายไปอาจมังค้าถามมาไปไหนมา ผมไปหายใจมาคุยกับอาต ม, มาแล้วเนี่ยพบว่าพระอาจารย์ไม่พระเนาพระนอตัวเองปากไม่หวานเขาโกรธเขากลับไปหายใจอยู่กับตัวเองพอได้ที่แล้วกลับมาคุยใหม่นี่อย่างนี้นะดีมากๆคือมีอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดตามอารมณ์ลงไปนะให้กลับมาหายใจเรียกสติ แล้วก็สอนต่อไปเดังนั้นอารมณ์ดียจะมีส่วนให้เราสอนดีครูที่อารมณ์ดีเนี่ยสอนแล้วลูกศิษย์รักสังเกตนะ ล, ลูกศิษย์ที่รักบางครูครูที่ลูกศิษย์ ร, รักบางทีสอนไม่เก่งแต่ปรากฏว่าเป็นครูที่อารมณ์ดีมนุษย์เยอะสำคัญดีนี่น่าแปลกบางครั้งเรามุ่งแต่จะสอนวิชาไงเราลืมไปว่าบุคลิกาภาพของครูนั้นสําคัญมากๆาสิทธิ์เนี่ยวิชาเขาอ่านได้จากตํารับตํารา แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาเห็นเป็นตัวอย่างหรือเป็นบริเวณที่มีชีวิตก็คือบุคลิกภาพของครูใบหน้าอันเปี่ยมสุขแววตาที่เตี่ยมเมตตาของครูรอยยิ้มที่แสดงอัธยาศัยเมตติของครูบางครั้งลูกศิษย์กำลังมีปัญหาครูไม่พูดอะไรเลยแค่เดินไปแล้วรูปหลังไม่ต้องพูดว่าครูรักเธอนะเธอยังมีครูอยู่นะไม่ต้องพูดแค่รูปหลังลูกศิษย์เขาก็น้ําตารื้นแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งของการสอนเช่นเดียวกัน ถ้าครูมีสุขภาพจิตดีเนี่ยการสอนมันราบรื่นบางทีเด็กไม่รู้เรื่องหรอกแต่เพราะเขารักครูของเขาเขาก็ยินดีที่จะเรียนกับครูแต่ครูบางคนสอนวิชาการดีมากแต่ว่าโหดมากมากอัตมาภาพเป็นสามเณรน้อยไปเรียนมัธยมต้นครูท่านหนึ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษดีมากแต่โหดสุดๆเพื่อนอัตมภาพนั่งอยู่หลังห้องคุยกันจุงจ๊งๆ เว้ยงเลยแปลงงบ ก, กระดานต้องหัวพระเนอะหัวเมิงเหมิงของพระนะโอ้สอนดีแต่เรากลัวสุดๆนะออแปลกมากหลังๆรู้สึกว่าทําจรยิงตัวตายแต่น่าเสียดายไม่ตายก็เป็นคนจริงจังกับโลกเกินไปไงโหดเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีครูต้องอารมณ์ดีนะ การอารมณ์ดีนี่แสดงว่าเราสติดีเราสามารถระ ง, งับยับยั้งตัวเองได้แต่ถ้าเราแสดงภาพว่านัดดูดให้ลูกศิษย์เห็นเมื่อไหร่มันเป็นภาพที่พินพ์ใจของลูกศิษย์มันตําตานะตําตาแล้วตาจึางจําไปตําใจเฮ้ยอยู่นั้นตลอดชีวิตเลยนึกถึงครูก็นึกถึงฉากตอนที่ครูกําลังโหด่ครูไหวใจร้ายรู้ถึงครูไหวที่ใจดีแต่คำว่าใจดีไม่ได้หมายความว่า ไม่ลงโทษเลยนะลูกสิษต์ทผิดมาก็ไม่เป็นไรลูกอย่างนั้นก็อันตรายมากๆคือผิดก็ต้องบอกว่าผิดถูกก็ต้องบอกว่าถูกเหมือนแม่ไม่คนหนึ่งสอนลูกลูกเล็กๆเนี่ยลูกเริ่มลักขโมยได้ของมาแม่ก็บอกโอ้โหเก่งจังเลยลูกวันนี้ได้ฟักทองมานี่ชมนะแทนที่จะบอกว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกไม่บอกลูกก็ดีใจว่าวันนี้เราทาถูก วันต่อไปเริ่มขโมยเงินแม่ก็บอกโอ้วันนี้ได้ห้าบาทลูกวันพรุนี้สิบาทนะลูกนะลูกไม่เก่งจังเลยเนี่ยวันต่อไปขโมยมือถือแม่บอกลูกเอารุ่นที่มันหายรูปได้สิของครูพูธให้ในวิเศษเลยลูกก็เริ่นขโมยของใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันหนึ่งทางการจับเด็กคนนี้ได้ต้องโทษประหารการประหารในประเทศฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม่กิโยตินเลื่อนลงมาตัดคอกระเด็นลอกจากกันเพจอคาสก็เรียกว่า หนูก่อนที่เธอจะถูกประหารเนี่ยฉันจะให้เธอพูดกับแม่สั่งเสียเจ้าหนูที่ก็นําแม่เข้ามาเจ้าหนูก็ไปกระซิบที่ข้างหูของแม่คนเป็นพันมุงดูการประหารเพราะว่าประหารกลางแจ้งแทนที่เจ้าหนูจะสั่งเสียปรากฏว่าพอแม่เอียงหูมาได้ที่กัดฉับหูแม่ขาดเลย เลือดพุ่งกระจูงเลยคนก็ตกใจแม่เป็นลมล้มพับลงไปพระเจะ้าข้ถามว่าทำไมหนูไม่สั่งเสียแล้วไปกัดหูแม่ทำาอะไรกัดทำไมเด็กชายบอกว่าผมนะ่ะที่ต้องมามีชะตากรรมอย่างนี้ก็เพราะผมไม่เคยรู้เลยว่าอะไรดีอะไรชั่วแม่ไม่เคยบอกผมเลยว่าการรักขมยมมันเป็นความชั่วการไม่รักขมยมเป็นความดีแม่ไม่เคยสอนผมทำอะไรแม่บอกว่าดีทั้งหมด เพราะฉะนั้นที่ผมต้องกลับหูแม่พ่อะอะไรเพื่อแม่มีลูกคนต่อไปแม่จะได้ไม่ลืมเอาคุณธรรมใส่ไปในหูของลูกเ <c oughs> จ็บปวดมากๆแม่เลิกมีลูกเลย <c oughs> นี่ครูของเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราอย่ามัวแต่สอนหนังสือนะสอนคุณธรรมให้เขาโดยผ่านกระบวนการเทคนิควิธีต่างๆเด็กที่มันเกเรเกรตรงเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นเด็กที่ต้องตัดหางปล่อยวัด เราคิดว่ามันยิ่งเกเรมันยิ่งท้าทายศักยภาพของครูเหมือนกรณีต่างๆที่เล่าให้ฟังนี่แหละครูต้องสอนดีโดยมีหลักการอยู่ที่ว่ารู้ดีปฏิบัติดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีแล้วก็สอนดีได้ต่อไปการที่จะทําให้สอนดีต้องมีจิตเมตตาหมายความว่าการที่เรามาสอนเขาเนี่ยเรารักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานอย่านึกว่าฉันมาสอนเพื่อให้บทคาบ ลูกเดียน่งไว้ฉันสอนและขยักไว้อยากรู้มากตอนเดียนที่สถาบันของฉันที่โน่นบอกสูตรคณิตคิดเร็วถ้าสอนที่นี่บอกบ้างไม่บอกบ้าง น, นี่เรียกว่าไม่ไมีเมตตามองลูกศิษย์เป็นทาเก็ตกรุ๊ปไม่ได้มองเป็นลูกศิษย์เราจะต้องมองลูกศิษย์เป็นลูกของเราเรู้สอนเขาก็เพื่อให้เขา พ, พ้นจากความงมงา ย, ยตั้งจิตให้เป็นกัลยาณจิตเมตตาต่อเขาถ้าเธอหิวมาครูจะทำให้เธออิ่ม เธอโง่มาครูจะทำให้เธอฉลาดเธอผิดหวังมาครูจะทำให้เธอสมหวังเธอร้อนมาครูจะทำให้เธอเย็นกลับไปตั้งกาลยานาจิตอัน ง, งดงามอย่างนี้แล้วสอนลูกศิษย์ทุกทุกครั้งที่เราสอนลูกศิษย์ด้วยจิตเมตตานะ่ะสังเกตดูว่าสัาฆ์จิตใจของเรามันงดงามขึ้นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วรดน้ำในขณะที่เรารดน้าต้นไม้งอกงามสังเกตไหมทุกครั้งที่เราทาอย่างนั้น คนที่อยู่กับต้นไม้อยู่กับสายน้ํามันชุ่มชําสดชื่นนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เรารดน้ําต้นไม้พื้นเป็นดินใจของเราได้รับการเยียวยาด้วยทุกครั้งที่เราปลูกเมตตาลงไปในตัวลูกศิษย์เมตตานั้นก็สะท้อนกลับมาให้จิตใจของเรามีคุณภาพจิตใหม่เป็นจิตใจที่ชุ่มเย็นอยู่ด้วยความสุขถ้าไม่เชื่อกลับไปลองทําดูนะสอนด้วยเมตตา ไม่ใช่สอนไปหนาไปวันนีก็ขูไปวันนี้ก็แปลงรบกระดาน บ, บินบ้างบันนี้ยึดโทรศัพท์ลูกศิษย์บ้างยึดเสร็จแล้วครูก็ใช้จนตังค์หมดก็คืน <c oughs> ให้มันรู้ซะบ้างตอนฉันสอนห้ามคุย <c oughs> นี่ทาแบบนี้ก็รอดไปได้หลายวัน <c oughs> ยึดโทรศัพท์ลูกศิษย์มาคุยซะเองนี่ไม่มีจิตเมตตา อย่างนี้ไม่ดีเขาเรียกทอแหลนะไม่ดีเพราะฉะนั้นครูต้องรู้ดีปฏิบัติดีสอนดีมีจิตไม่ตานี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของครูที่สอนทุกๆวิชาอย่าว่าแต่พระพุทธศาสนาจะไปสอนอะไรก็ตามต้องดาเนินตามหลักนี้ทั้งหมดสอนวิชาชีพหรือสอนวิชาสามัญก็ใช้หลักนี้ทั้งหมดแม้แต่สอนกรรมฐานนะถ้ารู้ไม่ดีนะมาสอน ผลข้างเคียงก็จะออกมานั่งไปสักพักหนึ่งก็ฟุฟฝาบนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ก็นึกว่าตังได้ยามได้ยามวิเศษนั่งไปนั่งไปความทรงจํากับผุดขึ้นมาก็นึกว่าฉันระลึกฉาตได้แล้วครึ้ม อ, อกครื้มใจประกาศเลยว่าได้ของดีของวิเศษเนี่ยนี่ถ้าเรารู้ไม่ดีเราก็ปฏิบัติผิดทันทีเพราปฏิบัติผิดสอนผิด พ่อสอนมีปีติจิตไม่ตามันไม่เกิดนะมันจะกลายเป็นจิตโลภเช่นเราเราลู้ชาติได้ปุ๊บนี่มาเรารู้แล้วโอ้โหนี่อันตรายเลยนะนี่แล้วทานายเลยแล้วก็บอกข้าทำนายแพงๆเห็นไหมว่าถ้าเรารู้ไม่ดีเนี่ยมันก็มีส่งผลถึงผล ท, ทันทีเราจะเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนพระเทวทัศเนี่ย เรเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแต่พอเป็นเรียนมาจากมิจฉาสมาธิมีอิทธิริปปาติหารนเอาไปหลอกพระเจ้าช่างศัตรูให้ศรัทธาต็มสู่ท้ายพระเจ้าช่างศัตรูศรัทธาต็มถึงกับฆ่าพ่อพระเจ้าช่างศัตรูฆ่าพ่อฆ่าแม่นะพอพระองค์ขึ้นของราชลูกของพระเจ้าช่างศัตรูฆ่าพระเจ้าอช่างศัตรูหลานของลูกของพระเจ้าช่างศัตรูฆ่ากันมาเป็นทอดทอดตห้าชั่วคนกลายเป็นวงปิดตุฆาต สุดท้าราชวงศ์นี้ถูกอ ม, มาตย์สู่สูนักล้มลังราชวงศ์และสถาปนาราชวงศ์ใหม่ความผิดใหญ่หลวงขนาดนี้เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะคนคนหนึ่งเรียนกรรมฐานแบบผิดผิดไปแล้วไปใช้ในทางที่ผิดดัง น, นั้นครูทุกคนเน่ยจะเป็นครูที่ดีได้ไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามต้องรู้ดีเสียก่อนรู้ดีแล้วปฏิบัตดิดีสอนดีแล้วก็มีจิตเมตตาถ้าทาได้อย่างนี้คุณไปสอนอะไรประสบความสาเร็จ ส, ส, Box, สองคุณสมบัติของครูสอนพระพุทธศาสนาทีนี้ก็พูดจําเพาะเจาะจงลงมาว่าถ้าเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาต้องมีคุณสมบัติมากกว่าครูสอนวิชาอื่นเพราะว่าเรากําลังสอนวิชาดําเนินชีวิตวิชาอื่นเขาเรียกว่าสอนวิชาดํารงชีวิตวิชาดํารงชีวิตก็คือวิชาที่จะทําให้ท้องอิ่มไม่อดตายแต่วิชาดําเนินชีวิตก็คือจะทําให้วิชาที่จะทําให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ครูสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงต้องมีคุณสมบัติมากกว่าทางพระพุทธศาสนาท่านวางไว้เจ็ดข้อหนึ่งจะเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนน่ารักต้องเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นกลับไปร่มยี้มให้ลูกเสดดูนะครูน่ารักหรือเปล่ายิ้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะกลับออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยยินมเข้าห้องไปเลยก็ เ, เรียกว่าคนจะน่ารักได้ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี พื้นานของการมีมนุษยเสียสัมพันธ์ดีคือใจดีไม่ใช่การเสแสร้งสองหน้าเคารพหน้าเคารพเกิดขึ้นจากการมีอาการทางกายวาจาที่เรียบร้อยสง่างามอ้างอิงเอาเป็นแบบอย่างได้คนจะหน้าเคารพก็แต่เมื่อวางตนหน้าเคารพวางตนอีกอย่างสอนอีกอย่างแล้วเรียกร้องให้จิตเคารพไม่มีทาง ดังนั้นจะต้องวางตนให้หน่เคารพด้วยการสอนแล้วก็ทำให้สอดคล้องกันสามหน้ายกย่องการที่ลูกศิษย์จะยกย่องครูเพราะอะไรรู้จริงคือรู้ในสิ่งที่สอนจริงจริงแล้วทำได้จริงจริงก็คือเก่งจริงเก่งจริงแล้วพอไหมยังไม่พอหรอกเก่งวิชาการยังไม่พอหรอกพฤติกรรมต้องดีก็เรียกว่าดีจริงถ้ารู้จริงเก่งจริงดีจริงลูกศิษย์ก็ถือเป็นต้นแบบได้เรียกว่าหน้ายกย่อง การเป็นครูที่น่ายกย่องนั้นต้องทําให้ได้อย่างที่สีปราดเคยพูดเอาไว้ก่อนที่สีปราดจะถูกประหารเนี่ยเขาเขียนบทกวีเอาไว้บนผืนทรายสีปราดบอกว่าธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างทุกท่านทุกคนไปสอนใครให้ลูกศิษยจารึกไว้ที่ผนังห้องหรือที่ในใจแล้ะนะ ธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างไม่ใช่ธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์ที่จะฆ่าอาจารย์หนึ่งบ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้จริงเก่งจริงดีจริงเนี่ยจะทําให้ลูกศิษย์เมื่อได้มาเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วเนี่ยเขาภูมิใจคุณยมลองนึกในใจสิว่าในชีวิตนี้มีครูคนไหนที่ฉันนึกถึงแล้วเป็นสิริมงคลเหลือเกินมีไหม มันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเราจะต้องเป็นครูที่ลูกศิลป์นึกถึงแล้วเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหมือนเรารำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่เรารำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือได้ยินเพลงสรรเสริญพระบา ร, รมีบรรเลงขึ้นมาสังเกตไหมบางครั้งขนลุกปีติาา้าบซ่านแค่นึกถึงก็รู้สึกเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะ มีไหมครูสักคนหนึ่งซึ่งเรานึกถึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจจังเลยที่ได้เป็นครูภูมิใจจังเลยที่ได้เรียนกับท่านภูมิใจจังเลยที่ในชั่วชีวิตหนึ่งเราเคยเข้าไปอยู่ในใต้ร่มแห่งปัญญาของครูคนนั้นเราควรจะเป็นครูที่ลูกศิษย์นึกถึงแล้วเกิดอาการปีติเ อ, อิบอาบใจอย่างนี้ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ที่ครูนึกถึงแล้วฉันยังจาไม่ลืม วิชาการนิติศาสตร์ครูเล่นงานฉันแย่เลยไม่ดีอย่าให้ลูกศิษย์นึกถึงอย่างนั้นอันนี้คือหน้ายกย่องและสี่เนี่ยมีวาทศิลป์คุณจะรู้มากขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีวาทศิลป์ในหมดหมดประโยชน์วาทศิลป์ก็อหมายความว่าฉลาดพูดฉลาดแนะนําฉลาดให้คำปรึกษาฉลาดพูดคือจะพูดยังไงให้ลูกศิษย์เข้าใจฉลาดแนะนําจะแนะนํายังไงให้ลูกศิษย์เชื่อถือ จะลานให้การปรึกษาจะปรึกษายังไงให้ลูกเสร็จเกิดความเชื่อมั่นนี่เป็นศิละปะที่ครูเองจะต้องฝึกอตาตมาภาพมีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งเป็นนักเทศแต่ว่าเป็นนักเทศที่เกิดจากการท่องจําทุกครั้งก่อนจะขึ้นเทศท่านจะขอเวลาสามสี่วันท่องเทศดีมากมีอยู่วันหนึ่งขึ้นเทศท่องมาอย่างดี แต่มั น, น, นมีลังคาอยู่อย่างคือท่านพูดดีแต่ท่านไม่สบตาใครเลยทุกครั้งถ้าขึ้นธรรมะท่านก็จะมองบนคือเอาที่นั่นเป็นที่มั่นที่หมายตั้งหน้าโมเสร็จท่านก็พูดไปมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก็สั่นละขังบอกว่าเลยเวลาขึ้นมากลางต้องเลยนะแล้วลท่านลืมหมดเลยพอท่านลืมหมดท่านก็เป๋เลยตั้งแต่นั้นมาเน่ะสูญเสียความเชื่อมั่นในเรื่องการพูด ไม่พูดอีกเลยครูที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนฉลาดพูดไม่ใช่ฉลาดจำถ้าฉลาดจำเนี่ยพอขึ้นมาถึงพูดเหมือนกันทุกอย่างเลยสมาธชนสนธิเชื่อมเข้าห้องไหนก็พูดอย่างนี้ทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเหมือนกับพระหลวงตารูปหนึ่งไปเทศที่ต่างจังหวัดลูกศิษ์ตามไปทุกงาน เทศไปได้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ที่เล่นอยู่กลางแจ้งบอกเพื่อนเฮ้พอแค่นี้ก่อนหลวงตาจะจบแล้วเพื่อนลูกศิษย์ถามทําไมเองรู้ว่าหลวงตาจะจบข้ารู้ก็แล้วกันพอถึงตรงนี้ะเดี๋ยวจบนี่เรียกว่าเรื่องเนื้อกินให้ตลอดชาติเลยอันนี้เรียกว่าฉลาดจําไม่รู้จักพลิกแพนคนที่ฉลาดพูดก็หมายความว่าในเรื่องเดียวกันยัดเยื้อพูดได้ร้อยแปดพันเก้าชนิดไม่ใช่ว่าพูดเรื่องพระเจ้าต่างอะไรนึกถึงกล้วยตากตลอด มันต้องเปลี่ยนเรื่องบ้างหาวิธีหาวิธีทางทางเข้าหลายๆด้านเหมือนเราไปเชียงใหม่อย่านึกว่าไปเชียงใหม่ต้องไปรถไฟตลอดนะเปลี่ยนเป็นไปเครื่องบินบ้างเปลี่ยนไปทางน้ําบ้างเปลี่ยนเป็นเกวียนบ้างก่อนให้มันถึงเชียงใหม่แล้วกันนะอย่ายึดติดวิธีการนี่คือคนฉลาดพูดฉลาดสอนแล้วต่อไปก็คือข้อแห่อดทนต่อถ้อยคํา ครูที่ดีเนี่ยต้องไม่เบื่อต่อการตอบคําถามวิภาควิจารณ์ลูกศิษย์มาหาถามอยู่จนเที่ยงคืนก็ไม่เบื่อเพราะฉะนั้นต้องพร้อมที่จะรองรับคําถามทั้งหลายต่างๆซึ่งลูกศิษย์จะซักจะถามต้องอดทนต่อทอาคานอกจากคําถามแล้วมีคําอะไรอีกบ้างคําจู้จี้จุกจิกกวนใจทั้งหลายที่มากระทบสวดประสาท ครูก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับทํำยังไงทาจู้จี้จุกจิกกวนใจทั้งหลายต้องหัดเอาหูทวนลมอย่าไปรับเอามาอย่าเาหูไปร้องเกีย้ยวคนบางคนชอบเอาหูไปร้องเกีย้ยวพ อ, ออพูดฝ า, ฝากคนโน้นมาพี่ๆพี่รู้หรือยังพ อ, อพูดถึงพี่ว่าไงนะเ่ <laughs> ตามไปหาต้นตอเชียวใเรื่องวางหูไปร้องเกีย้ยวไม่มีความอดทน ย้ายตลอดอยู่ที่ไหนก็ย้ายดังนั้นจะต้องไม่เอาหูไปรองเกี้ยไม่หูไปรองเกี้ยคือทํำยังไงทําเป็นไม่รู้ไม่ชีบ้บางกิดได้ตำราเขียนเล่าไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งวันหนึ่งหลวงปู่บุดามาเทศที่กรุงเทพเทศเสร็จฉันเสร็จท่านก็พักผ่อนคุณโยมท่านหนึ่งเนี่ยมีลูกสาวลูกสาวก็เดินอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วลากเกี้ยเดินกึง้งกงกึ้งกงกึ้งกึ ง, ก ง, ก ง, ก ง, กงอยู่ห้องถัดไป เจ้าของบ้านซึ่งเป็นโยมที่นิมนต์มาก็เกรงใจเกรงอกเกรงใจหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันต้องขอโทษแทนนางหนูมันนะคะมันไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงลากเสียงเกีย้ยดังรบกวนหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อก็ลืนตาขึ้นมามองด้วยเมตตาเขาเดินลากเสียงเกีย้ยอยู่ห้องนน่นโยมหูไปร้องเกีย้ยก็ทําไมนี่ เพราะฉะนั้นครูต้องทนนะอย่าหูไปรองเกี้ยเสียงจุกจิกจู้จีจ้ทั้งหลายเนี่ยปล่อยปล่อยว่างๆมั่งก็ได้ไม่ใช่เราสอนหนังสืออยู่ดีๆมีเสียงนินทามาบอกว่าได้ข่าวว่าครูเอาเวลานอกไปขายเอ็มเวย์จริงหรือเปล่า <c oughs> ของขึ้นเลย <c oughs> เงียบไว้จริงไม่จริงก็เงียบไว้อย่าหูไปรองเกี้ยเนี่ยฝึกเอาอดทนเอาทนต่อถ้อยคํา ท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นคนที่ทนต่อถ้อยคําได้อย่างวิเศษมากท่านเรียกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้อ ง, ไ ม, องไม่ถึงฝนตกคืออะไรคําชมฟ้าร้องคือคําด่ามีคนไปด่าท่านเกิดเฉยมีคนไปชมท่านเกิดเฉยอย่างลูกศิษยของท่านคนหนึ่งน่ะอ่านหนังสือท่านแล้วตัดสินใจบวชเลยนะประทับใจมากวันหนึ่งได้เจอตัวจริงท่านพุทธทาสหลวงพ่อครับผมตามงานท่านมานาน ประทับใจหลวงพ่อจริงๆ mm. หลวงพ่อบอกมันเรื่องของคุณ <c oughs> ไปไม่เป็นเลยนี <c oughs> ่เรียกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงทำยังไงก็มีคนไปด่าว่าท่านเป็นคอมมิว น, นิสต์เป็นพระนอกรีตเป็นพระเลีรัตีมีคนไปถามว่าทำไมหลวงพ่อไม่ตอบโตท่านพุทธทาสก็บอกว่าก็หมาเห่าตียนช้างช่างมันตา ท่านเฉยทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ได้สบายของเราก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาจู้จี้จุกจิกกวนใจมากมายให้ฝึกวัฒนธรรมการเป็นคนมีน้ำอดน้ําทนอย่าหูไปรองเที้ยวมันทุกเรื่องต่อไปก็อธิบายเรื่องลึกซึ้งได้ไม่ใช่ว่าเรื่องไหนๆก็สอนได้หมดพอไปถึงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วนิมนต์พระมาสอนตลอดเลย ปา ก, ก็บอกอยากให้ลูกศิษย์ได้พบกับพระดีจริงๆเป็นจุดอ่อนตัวเองสอนไม่ไหวเลยเแล้วเว็นไม่ใจเกิดเนี่ยวันหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่ขึ้นมาจะรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่องลึกๆที่มันสอนไม่ได้ก็พยายามศึกษานะและพยายามสอนแล้วในการสอนเรื่องลึกเนี่ยไม่ใช่ว่าลึกฉันสอนไม่รู้เรื่องเนะเหมือนอาจารย์เซนท่านหนึ่งเข้าไปสอนในห้อง วันหนึ่งเดินเข้ามาในห้องลุกสิธ์ก็รอฟังอาจารย์เข้ามาถือแก้วมาโยนขึ้นแก้วตกถึงพื้นแต่พรึงเก็บกระเป๋าออกนอกห้องลุกสิษ์ก็รอฟังว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะกลับมาที่บายปราดกฏว่าชั่วโมงนั้นจบแล้วแค่นั้นลึกมากท่านบอกสัจธรรมมันพูดไม่ได้นี่คือลึกหรื อ, อยู่มวันหนึ่งท่านเดินมาในห้องสอนเรื่องความว่าง พอมาถึงเอาช็อกบาวาดบงกลมเดินกลับออกไปไม่สอนเลยลูกศิษย์ที่เข้าใจก็เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็งงแล้วท่านก็สอนเรื่องลึกซึง้งไม่ใช่มาสอนเรื่องลึกซึ้งแล้วให้มันซ้ำเนื่อนเข้าไป อ, อีกนะ ล, ลึกซึ้งเลยมันต้องเคลียร์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะพอมาถึงแล้วเอาแก้วมาตั้งไว้กลับออกไป ขูกับรถออกโรงเรียนไปเลยก็ฉันสอนเธอแล้วไงเธอต้องเป็นคนที่เหมือนกับแก้วที่มันหงายอย่าทาเป็นแก้วคว่ํำนี่สอนเลกอ่อนน้องมําต้นสอนดีมากอย่างนี้ก็ไม่ไหวลึกเกินไปลึกเลยต้องทําให้ตื้นครับสอนต้องทําให้มันง่ายนี่เรียกว่าอธิบายเรื่องลึกซึ้งได้หลวงพ่อชาดัานสอนเรื่องอริย์ศักดิ์ โยมคนหนึ่งเป็นชาวบ้านไปหาท่านท่านบอกว่าโยมมีควายไหมมีโ ย, ยมจูงควายไปแล้วเชือกมันไปติดที่ต่อโยมรู้สึกยังไงอึดอัดหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกนั่นทุกข์ถ้าโยมจะแก้ทุกข์ทำยังไงผมก็ต้องสาวเชือกไปดูซิว่าเชือกมันติดที่ต่อตรงไหนนั่นแหละตามหาสา บ, บุไทยเจ <c oughs> อปมแล้วทำยังไงผมดึงมีดออกมาฟันปักเชือกขาดนั่นแหละมักและนิพพาน อุ้ยสว่างนี่ท่าแลงเรื่องลึกล้ำได้แม้แต่เรื่องชาวบ้านชาวบ้านก็ได้แต่เรื่องมันมันก็ลึกจริงๆนะลึกขนาดไหนสามวั 3, 000, 7, 000นเะจ็ดวันยังหาต้นต่อไม่เจอเขาบอกว่าพราหมณ์ชูชกเนะ่ยในเรื่องแม่สันดอนวันหนึ่งไปได้หมวกวิเศษมาในระหว่างที่เดินทางเหนื่อยมากก้มตักน้ำ ในระหว่างที่ก้มตักน้ำดูก้นบ่อนั้นหมวกแก่ตกจากหัวได้ยินเสียงหมวกตกลงไปกระทบกับขอบบอ่อปุบป๊บปุบปุบุบปบหมวกตกเย็นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์แกกลับมาดูยังได้ยินเสียงหมวกกระทบปากขอบบ่ออยู่นะยังไม่ถึงก้นเลยนะเนี่ยลึกจึงลึกอย่างนี้ก็ไม่ไหวตกเย็นวันเสาร์เช้าวันจันทร์ยังไม่ถึงก้นบ่อลึกเลมนี่ ถ้ามันเรื่องลึกขนาดนี้ครูทายังไงอย่าดันรังสอนนะหู <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวต้องไปยืมมือผู้เชี่ยวชาญวิธียืมมือผู้เชี่ยวชาญก็ต้องไปยืมอย่างชาญฉลาดอาจารย์ของอัตมาภาพเนี่ยเจ้าว่าวัดพระสิลป์จึงไรเป็ยืมมือคนฉลาดคือยืมยืมฝีมืออาจารย์ดรทวัฒนดัชนีคนที่แค่ออกปากว่าจะวาดก็มีคนซื้อ เป็นจิตตะกรอนเอกระดับโลกจะไปยืมมืออาจารย์ถวันมาออกแบบประตูโบสถ์ทอยังไงเชิญอาจารย์ถวันมาแล้วบอกว่าอาจารย์อาตมานี่ประทับใจฝีมืออาจารย์อยากพึ่งก้อนสมองอันทรงคุณค่าของอาจารย์ได้บานประตูดินนะ้ำลมไฟมาบานหนึ่งฝรั่งมาตีราคาสิบล้านยังไม่ขายเลยนี่ได้มาแล้ว ดังนั้นเวลาเราจะไปพึ่งใครเนี่ยนะต้องไปแบบอ้อน้อมทําตนไปไม่ใช่ฉันจะสอนเรื่องเรียนไหวตายเกิดไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยผมสอนไม่ได้เลยต้องพึ่งหลวงพ่อละ่ะหลวงพ่อคงไปละ่ะเราต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบสวยๆหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันเนี่ยสอนมาก็นานแต่เรื่องนี้มันลึกจริงๆ ครั้งนี้คงต้องพึ่งหลวงพ่อแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อยิ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อไปจัดรถให้กันแล้วกันนี่ไปแล้ววินวินเกมมีความสุขทั้งสองฝ่ายเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันลึกเกินไปแล้วสอนไม่ไหวเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือไม่อย่างนั้นต้องใช้สื่อการสอนบางคนไม่ใช้สื่อเลย เรื่องมันลึกฉันก็จะพูดพูดไปก็ถามนักเรียนไปพวกเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจหรืออยาง <laughs> ลูกศิษย์ก็เหมือนอะไรคือสังสารวัตอะไรคือปรามัดอะไรคืออนัตตามันอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคืออารมณ์อะไรคือสมมุติอะไรคือบัรดัตลูกศิษย์ไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจใช่ไหม <laughs> ครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ลึกขนาดนี้ก็อย่าสอนคนเดียวนะไปเชิญมาเถอะเชิญผู้ชี่วชฌาญมาแล้วต้องไปอย่างอ่อนน้อมทําตนด้วยข้อเจ็ดไม่ชักนําในฐานะอันไม่ควรอะไรคือฐานะอันไม่ควรตัวเองเปียแชร์อยู่แล้วเนะี่ยเห็นลูกศิษย์เป็นลูกคนรวยเธอมาช่วยครูไหมไมาช่ยเปียแชร์กับครูอีกวงหนึ่งเนี่ยเนี่ยไม่ควรละมันมีเยอะแยะเหลือเกินเนี่ย ยี่หวนี้นั้นดีมากเลยนะเนี่ยเธอลองใช้ดูสิครูว่ามันแน่เด้งนะหมอกับเด็กม .6 อย่างพวกเธอเนาะเนี่ยสอนไปขายไปนี่ชักนำในฐานะอันไม่ควรใช่ไหมอืมไม่ดียาใช่นะยาเหตุลูกศิษย์เป็นแหล่งทรรมากินนี่เรียกว่าต้องมีจัญยาบรรครูสูงมาก ต้องระมัดระวังเรื่องนี้พูดมากไม่ได้มันกินใจกั น, นก็จะผ่านไปเดี๋ยวหาว่าพระอะไรกันเน่กันไหนตลอดจริงๆไม่ใช่นะตามมาพระพูดตามเนื้อพระเหมือนเวลาเราเดินไปเราไปสะดุดก้อนหินเราเจอบอกว่าก้อนหินหน้าโง่งทําไมไม่หลบไม่ได้พระก็เช่นเดียวกันพระก็สอนธรรมะไปตามเนื้อพระไม่ได้กันไหนกันไหนใครมีอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น อตาตมาภาพเคยไปเทศแล้วมีคนๆนหนึ่งมาบอกพระอะไรเนี่ยปากคอระร้ายจริงๆเลยอีกคนหนึ่งมาชมโหท่านท่านพูดดีๆตกลงจะให้อาตมาเชื่อใครคนหนึ่งที่บอกว่าเราปากคอรอร้ายก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัวสันหลังหวะที่พูดมามันตรงหมดเลยอีกคนหนึ่งที่บอกว่าพูดดีเพราะเขาเป็นคนดีดังนั้นในขณะที่เราฟังก็อย่าไปว่าพระ พระนั้นก็พูดธรรมะของท่านนั่นแหละแต่ถ้าเราสำนังหว่านในบางคนตำหนิพระเพราะฉะนั้นให้ใช้สติดีๆอยา่าอย่าฟังไปตำหนิไปอันนี้คือคุณสมบัติของครูสอนพระพุทธศาสนาชั้นนำต้องมีเจ็ดประการน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องมีวาทศิลป์อดทนต่อท้อยคำอธิบายเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนำในฐานะอันไม่ควรต่อไปศิละปะในการสอนของครูครูที่ดีต้องมีศิละปะในการสอน นั่นก็หมายความว่าต้องมีทฤษฎีสี่สอเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าไม่ใช้จะใช้ภาษาไทยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจเราให้กล้าปลุกให้ร่าเริงสอนเรื่องอะไรก็ตามต้องสอนให้แจ่มแจ้งเหมือนครูคนหนึ่งทดลองทางวิทยาศาสตร์เอากบมาใส่ขวดโหลแล้วบอกลูกศิษย์ว่าเธอทั้งหลายดูนะพอขาดออกซิเจนปุ๊บไม่เกินห้านาทีกบตาย ใส่กวดหลอผ่านไปแห่นาะทีกบไม่ตายนะครูเหงือแตพกพักๆเลยวันนั้นศึกษานิเทศมาดูงานด้วยทำไมกบไม่ตายศึกษานิเทศก็เดินมาดูทฤษฎีกับตัวอย่างขับแย้งกันลูกศิษย์ก็ถามครูครับทำไมผ่านแห่นาะทีกบยังไม่ตายนี่ก่อนจะสอนเราต้องแจ้งแจ้งควรจะรู้ได้ว่ากบเนี่ยมันอดทนได้นานกว่าคนนะ เพราะมันจำศิลอยู่ในดินและมันจำศิลอยู่ได้ น, นานเป็นเดือนเลยนะเพราะฉะนั้น5นาทีนี้กกหัวรเราะเซครูเลยอะ่ะฉันไม่ตายหรอกนี่ครูต้องรู้ให้แจ้งนะจะสอนเรื่องอะไรเนี่ยสาคัญมากๆครูไม่รู้ให้แจ้งนี่ยุ่งมากเลยสอนให้แจ็มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตาจะสอนเรื่องอะไรต้องทำการศึกษาทุกแง่ทุกมุมทุกประเด็น แล้วพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำจนลูกศิษย์เนี่ยมองไม่เห็นช่องทางแห่งความสงสัยบางคนสอนไปแล้วสงสัยไหมเงียบไม่สงสัยไหมเงียบครูก็สรุปว่าเราสอนดีจริงๆลูกศิษย์มันไม่รู้จะตั้งต้นคำถามตรงไหนเนี่ยดังนั้นต้องทำให้แจ่มแจ้งก่อนจะทำให้แจ่มแจ้งครูเองก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนต่อไปจูงใจ จูงใจก็คือโน้มน้าวให้หน้าเชื่อถือเราจะสอนว่าความสามาคัคนคะีเป็นสิ่งที่ดีจะสอนยังไงโน้มน้าวให้หน้าเชื่อถื อ, ถอทํำยังไงครูบางคนก็ลงทุนเลยเข้าป่าตัดไม้ไผ่มาสิบลำแบกมาถึงโรงเรียนทํายังไงตอนที่เอามานะ่ะ เอาบรรทุกรถมาบรรทุกรถจั ก, กรยานมาแล้วบรรทุกมาทางขวางไม้ไผ่สิบลำปรากฏว่าไม้ไผ่ยาวกว่าประตูโรงเรียนก็พยายามจะเอาไม้ไผ่เข้าประตูโรงเรียนทางขวางประตูมันอยู่อย่างนี้ไม้ไผ่มันขวางอย่างนี้เธอก็พยายามหอไม้ไผ่เดินเข้าไปเข้ายัางไงก็เข้าไม่ได้เนื่จะสอนเรื่องสามัคคีมันลําบากมากไปตัดไม้ไผ่ก็ตัดมาแล้ว เจ้าเข้าประตูเรีย น, นเข้าไม่ได้ครูคนหนึ่งมาพบง่ายนิดเดียวแทนที่เจ้าเข้าทางฝั่งก็พลิกอย่างนี้ก็จืงดึงเข้าไปใช่ไหมเนี่ยหอบเข้าไปได้สบายเพราะฉะนั้นการสอนบางอย่างอย่าทำให้มันยากเกินไปนะแค่บรรณนิดเดียวเรื่องการโน้มน้าวเนี่ยคําสามัญคีมันมีตัวอย่างมากมายที่จะสอนได้เช่นทําไงเล่าให้นักเรียนฟังถ้าตาของเธอสองข้างไม่สามาัญคียกันเธอปิดสักข้างสิ เห็นชัดไหมเริ่มไม่ชัดออาเปิดสองข้างมันชัดไหมชัดนั่นแหละตามันสามาัคคีกันมันง่ายจะตายสอนได้ยากเย็นทำไมของกล้วยกล้วยเนี่ยเคล็ดมันอยู่ง่ายๆเนี่ยเห็นไหมสอนได้นะต่อไปเราให้กล้าเราให้กล้าสอนเรื่องความรักชาติ อาตมาขรามาเคยเดินกับครูสอนประวัติศาสตร์สอนแล้วนี่เห็นแสงดาบแสงหอบปุ๊บฟัดไปหมดเลยบรรยายเก่งจริงๆพระนเรศวรทรงทราบชช่นนั้นทรงบรร ญ, ญานโทษะลุกขึ้นประกาศยังอธาษฐานานับไตนี้เป็นต้นไปอิระว ด, ดีกับเจ้าพระยาขาดกันโอ้โหเราฟังแล้วมันรู้สึกกระหอมเนะ ไปพม่าเลยตำนักพไปพม่าเลยไปดูแม่น้ำสโตงที่พระนาเรศวรยิงสุรกรรมมาขาดตกลงมาจากคอช้างนะมะกรูดเทศเขาก็โยนไม้ให้ท่านว่พูดเราก็นึกถึงครูของเราคนนั้นครูบอกว่าพอหนีจากเมืองนั้นมาได้เนี่ยสุรกรร ม, มายกทัพตามมาทรงข้ามน้ำมาได้ยกพระแสงปืนขึ้นมาประทับเหนือลอย ้อกลับไปสับนกยิงปูมสุรากำมขาดตกลงมาคาคอเช้าแม่ทัพแาต่มันแตกกระทายเหมือนพึ่งแตกรังโอ้โหเนี่ยแต่แม่ทัพอยากไปพาอแม่เพราะเรื่องนน้นะพอไปจริงๆเราก็หยิบคำบรญยายของครูมาเล่าเขาบอกอุ้ยสนุกจังเลยเห็นพี่หน้าเชอิอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยอย่างเนี้ยสอนให้มันเร้าใจนะ ไม่ใช่สอนเรื่องประวัติศาสตร์พวกเธอต้องเข้าใจนะ <c oughs> <c oughs> คนอย่างพระนเรศวร <c oughs> สอนไปสอนไปมันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่มันถึงนะเวลาเขกเกือมันงทุงโทษใช่ไหม <c oughs> ครูจะต้องเป็นนักแสดงต้องเป็นเอ็นเตอร์เทนเตอร์เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี เป็นนักจูงใจคนที่ดีมีศิละปะในการฉุดคนดึงคนดังนั้นทุกครั้งที่อาจารย์มาภาพไปบรรยายอาจารย์ัพจะบอกว่าไม่บรรไม่ได้บรรยายแต่อาจารย์ัพกำลังเดี่ยวไมโครโฟน <c oughs> คือถ้าบรรยายนี่มันเนิบน ะ, จะเจริญสุขสวัสดีจากนี้ไปครึ่งชั่วโมงเราจะพูดกันเรื่องกรรมมันไม่มัน ไม่ได้เรื่องไม่ได้รถไม่ได้ชาติมีคนรัตนาตรมมภาพไปเทศถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระสังฆราชพระ ต, ตมรภาพไม่ไปเพราะอะไรพระตรมภาพไม่ชอบเทศตามแบบโบราณขอจเจริญพรมันไม่ได้มันไม่สนุกทำแม่มันต้องสนุกนะเรียกว่าอะไร Play and Learn สนุกด้วยได้สาระด้วยเรียนรู้ด้วยซึ่งมันจะไปตรงกับข้อไหนข้อสี่ปลุกให้ร่าเริงก็หนึ่งแจมแจ้งเหมือนจูงมือไปเห็นกับตาข้อสองจูงใจโน้มน้าวให้แน่เชื่อถื อ, อ, 3, อก็สามเราให้กล้าฟังแล้วมันฮึกเหิมพูดถึงประมาก็จะกับไฟบิดเผามันเลยนี่แล้วปลุกให้ร่าเริงในขณะที่ฟัง เพลินตลอดคําน้ำหมูน้ำตาไหลสนุกพอวิทยากรลงเวทีไม่เนิ่นจบเลยทางสังได้มันเลยไปแห้งบ่งครึงบาปจริงๆต้องขออภัยนะวันนี้ดูเวลาผิดจริงๆนะต้องขออภัยจริงๆแต่มาภาพดูเวลาผิดไปเนี่ยคือในขณะที่ฟังก็เพลินไงแต่มาภาพเคยเรียนกับครูหลายท่านครูบางด้านสอนเรื่นสนุกมาก สอนเรื่องอริยสัจนี้ไม่หลับเลยนะแต่ครูบางคนสอนอริยสัจพอเริ่มเข้าห้องเนี่ยเหมือนกับว่าปีภาพมันเริ่มดัง <c oughs> แล้วคังมันเริ่มมาละเต็มเียบเด็กๆมันจะหลับเอาดังนั้นครูที่สอนเก่งจริงๆนะต้องมีสีที่สดีคือแจ่มแจ้งสอนแล้วหายโง่กันไปเลยจูงใจ คือฟังแล้วเนี่ยเชื่อไปหมดเลยเราให้กล้าถึงตอนที่คึกก็คึกกันนองเลยพูดถึงสื่อน่ามีก็เหมือนคลื่นจะม้วนก็มาเลยอย่างนั้นปลุกให้ร่าเริงก็ฟังเพลินไม่รู้เบื่อนี่ต้องให้ได้อย่างนี้ทีนี้ต่อไปคุณนะสมบัติประกอบอื่นๆก็คงไม่ลงในรายละเอียดนะว่าครูที่ดีจะสอนอยังไงจึงจะประสบความสําเร็จในการสอนพระพุทธศาสนาหนึ่งต้องวางแผนการสอน ซึ่งรู้โดยเจ้าทรงวางแผนทุกครั้งที่สอนสองมีทั้งจากการใช้สื่อหรือการเล่นเกมสามเข้าใจหลักจิตวิทยาโดยจะพ้นยิ่งหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลและสีมีหัวใจประชาธิปไตยรับฟังเสียงที่แตกต่างของลูกศิษย์ได้ประการที่ห้ามีจิตวิญญาณครูจิตวิญญาณครูก็หมายความว่าไม่ว่าเราไปเจอจะไปเจอลูกศิษย์เกเรๆอย่างไงเราก็รับเราก็สอน อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระงอรั์ว่าในทศนะของพระองค์นั้นหรือในพระหริยไทยของพระองค์นั้นทรงรักพระราหุลทรงรักพระเทวทัพทรงรักช้างพลาธนบานที่เขาปล่อยมาขยี้พระองค์ทรงรักนายกหมังธนูที่พระเทวทัตจ้างมายิงพระองค์พอๆกับที่ทรงรักพระราหุลซึ่งเป็นพุทธชิโนรสนั่นคือจิตวิญญาณครู สอลูกสเสร็จโดยไม่เลือดที่รักไม่มักที่ช่างเจอลูกศิษย์เกเรขนาดไหนครูก็ไม่โกรธไม่เกลียดถือเสมือนว่าลูกศิษย์เป็นอะไรมองว่าลูกศิษย์เป็นเสมือนสัตว์ที่กําลังสแสวงหาหนทางตรัสรู้เขาอาจจ ะ, สะแสวงหาผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างเขาเรายินดีที่จะช่วยเขาให้เข้าสู่ทางคือดําเนินสู่อรอยิยมรรคในวันใดวันหนึ่งคิดอย่างนี้ตลอด เหมือนลูกศิษฐ์ท่านหนึ่งในนิทานเซนลูกศิษฐ์เป็นคนที่ชอบออกไปเที่ยวมากทุกๆุกคืนเนี่ยลูกศิษฐ์จะเอาบันไดไปพาดกําแพงปีนออกไปข้างนอกเข้าผับเข้าบาร์เข้าเทคไปที่โน่นไปที่นี่ไปทุกคนทุกแห่งแล้วกลับมาตีสามตีสี่วันหนึ่งอาจารย์ร่วงรู้ความลับของลูกศิษฐ์อาจารย์จึงไปยืนรอปรากฏว่าวันนั้นหินมะตกทั้งคืน พออาจารย์ไปถึงที่ที่ลูกศิษย์เคยเอาบันไดพาดไว้อาจารย์ดึงบันไดออกยืนแทนบันไดลูกศิษย์ไปเที่ยวข้างนอกกลับมาตีสามปีนกําแพงจากข้างนอกยังไม่ทันมองในความมืดเท้าเหยียบลงมาถูกบันไดพอดีเฮ้แต่วันนี้บันไดมันยืนๆนะ <laughs> เหยียบบันไดปุ๊บกระโดดตุ๊บลงไปไม่ได้หันมามองอาจารย์พูดลูก คืนนี้เหี่มตกหนักนอนอย่าลืมผมผ้านะเดี๋ยวเป็นหวัดนะลูกลูกศิษย์ตกไกลหันกลับมาเพิ่งรู้ว่าบันไดที่ตัวเองเหยียบเมื่อกี้คือหัวอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์คนนี้เลิกเที่ยวกันคืนถามว่าถ้าพระอาจารย์เรียกมาเตือนเฉยๆเธอฟังไหมไม่ฟังเด็กมันเกเรดังนั้น ต้องสอนแบบมีจิตวิญญาณครูเอาความรักเป็นน้ำเชื่อมความรักเป็นน้ำเชื่อมอาตมาภาพเคยไปสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งน่าสังเกตนะห้องไหนก็ตามที่พระสอนี่ยจะเป็นห้องที่สุดสุดจริงๆเลยอะ่ะก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเลยไม่น่าลวงรู้ความลับพีแรกเราก็ภูมิใจเข้าไปสอนโรงเรียนชื่อดังแหมเก็บประวัติ มารู้ทีหลังว่าที่ต้อนมารวมกันระดับหัวหน้าโจนนั่นน <c oughs> ั้นอู้วันที่อาจามภาพไปสอนนะวิชาพุทธศาสนาถามว่าตำราอยู่ไหนลูกทั้งห้องห้าสิบห้าคนมีคนเอาหนังสือมาประมาณสิบคนไม่เอาตำรามาบางคนก็เอาเท้าขึ้นโต๊ะแก้งที่นั่งหลังห้องก็นั่งหลังห้องโคกมากลุกไม่มองพระอาจามันเลยนะ บางคนก็ตบโต๊ะร้องเพลงบางคนก็สมหัวกันอ่านหนังสือการ์ตูนบางคนก็เอาของมากินอาจารย์ผู้หญิงเดินเข้ามาถือไม้เรียวเข้ามาฟาดไม่เลี้ยงอ้เราก็โอ้มันมันสยองนะจังกระค่ายนรกนาซี <laughs> ตายแล้ว ม, มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอแต่มาตา้งสอนปรากฏว่าเด็กไม่ฟังเขียนบนกระดานแล้วโทรขงก็ไม่ดีนะ วิบากกรรมจริงๆเลยใช้ประโยชนเก้าไปสอนให้ถือโทรโขงหนักก็หนักสองข้าวติดกันูจะสอนยังไงไหวกลับมาไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องลาออกเทอมนี้แน่แต่จะลาออกก็เสียเชิงก็คิดหาวิธีอาทิตย์ต่อมาแต่มาก็ไปเอ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรวะวันนี้ไม่สอนก็ได้ไปถึงเราก็ไปดูเด็กที่มันเกเรที่สุด ก็ไปดูไหนลูกดูนิชื่ออะไรดูนามสกุลแล้วสะดุ้งเลยนะโอ้โหนามสกุลนี่อยู่ในตำเนียยเลย <c oughs> เราก็ถามว่าเป็นไงลูกทำไมไม่เอาหนังสือมาล่ะนั่งลงคุยลูปหลังลูบไหลทำอยู่สองอาทิตย์เอาอยู่ในะห้องนั้นอะไม่ได้ใช้ไม้เรียวเลยเอาอยู่เราก็เลยคนพูดว่าอ๋อบางครั้งเนี่ย การที่เด็กเขาเกเรเนี่ยเขามีปฏิกิริยาต่อครูเพราะอะไรแรงมาแรงไปตาต่อตาตามบอดฟันต่อฟันฟันหักมันแรงมาอัตมันนุ่มไปแม่วันนี้ไปสอนเราบินทาบาดได้ทีละคขันรถก่อนจะสอนแจกลูกกินขนม อุ้ยอิ่มพออิ่มแล้วเอา5นาทีสุดท้ายสอนแค่นั้นละที่เหลือทำอะไรปราบเซียน40นาทีปราบเซียนนะสอน5นาที10 น, น, น, นาทีสุดท้ายปรากฏว่าเทอมนั้นออกมาเด็กเกเรเนครึ่งห้องหายเลยเริ่มรักวิชาปพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็มาบอกว่าท่านทำได้ยังไงอตาตมาพาก็มาบอกว่าเนี่ยเปลืองเข้าวัดมากเลย ดังนั้นเราจึงครนพบว่าในการสอนครูถ้าขาดจิตวิญญาณครูนะไปเจอลูกศิษย์เกเรแล้วมีสองอย่างหนึ่งครูร้องไห้ครูฝึกหัดทั้งหลายจะร้องไห้เพราะอะไรเพราะไปสอนแล้วเจอลูกศิษย์เกเรสองครูลาออกไม่เอาไม่เป็นมาแล้วครูตอนที่เรียนนี่รู้มะฉันคือไม่พิมพ์ของชาติ แสงเรืองๆที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย น, นึกถึงแพลงคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ต่อไปไม่ได้ละภูมิใจอ่ากรอของมอมหลวงปิ่นมาลาคนก็ซึง้งอยากเป็นครูพงไพรในป่ากว้างห่างไกลแสงวัฒนธรรมใดส่องบ้างเห็นเทียนอยู่รำไรเล่มหนึ่ง ครูนั่นแหละอาบสร้างเสรให้ชัดจวานอู้อยากเป็นครูพอไปสอนจริงๆนะลาออกแต่วันแรกเลยนี่ไม่ได้มันต้องมีจิตวิญญาณครูนะดังนั้นใครก็ตามที่สอนสักแต่ว่าสอนไม่ประสบความสําเร็จครูที่ดีต้องปลูกฝังจิตวิญญาณของครูเกเรก็จะสอนตั้งใจก็จะสอน สมาธิสั้นก็จะสอนปัญญาอ่อนก็จะสอนดูซิว่ามันจะขนาดไหนชาตินี้ฉันจะเป็นครูมืออาชีพให้ดูสอนไม่ไหวนี่มนพระ <c oughs> <c oughs> นี่ให้มันได้ขนาดนี้เนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนี่คือทางสู่ความสำเร็จในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนซึ่งอัตามาภาพใช้ได้ผลมาแล้วแล้วก็เอามาแบ่งปัน คิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งคํว่าระดับหนึ่งนี้ก็อึมคึมนะแต่ถ้าพูดแล้วมันดูดีนะจากการเข้าอบรมครั้งนี้เข้าใจว่าได้ผลเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งไม่รู้ว่าระดับ